ขอกราบสวีต้อทพูดรับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปุมถูกตั้นครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปุมจะเป็นรายการสดโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์เพิ่มในการสำนักวิชาการสาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปุมเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ทางรายการได้กล่าววัฒนาพระเดชพระคุณพระเดชวิโลกวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวิเคราะห์ตอบปัญหาธรรมะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ02 2 4์สองสองสี่หนึ่งสาหนึ่งห้าสองสหนึ่งสาสาหนึ่งห้า กำลังรอรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะพระเด็จพุนเข้ามานะครับมีสายอยู่้างบ้านมารออยู่สายแรกเลยนะครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเพผู้ฟังครับสวัสดีครับครับครับผมครับผมโทรเข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับกําลังรอรับสายอยู่นะครับมีสายรอรออยู่ข้างนอกนะครับพอดีสายไม่ค่อยดีนะครับสวัสดีครับทุกฟังครับ ครับผมพูดดังเลยนะครับครับครับเชิญเชิญเชิลยครับแล้วสวัสดีครับกลับนักสการคัมพนครับขอเชิญอนทนาผู้จะทำและขอขอมัครการประเีนครับครับผมภาพอยากจะทรหาตัวเรื่องภามากศพนทหาราท่านคาที่ไหนเอเอขอกลานกการท่านพูดดังๆนิดหนึงนะครับพอดีสายสายไม่ค่อยได้ยินเลยครับ ครับผมขอขอความอนุก็พูดพูดใหม่นะครับท่านครับจะมาพักอยากจะถามปัญหาและทานจะคุยเกี่ยวกับเรื่องธรรมากระกนะธรรมกระปา่นะธะกรปานะครับท่านไปได้ที่ไหนไปที่ไหนท่านตนี้าลราท่านยังอยู่ทไหครับเนยแล้วท่านมีข่าวเกี่ยวับอะไรก็มาผมเพลนคนานาครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหรอครับของ ภาษอะไรก็ไม่ใจครับกลับภาษีครับกลับผมแล้ฟังทางวิญญานะครับกลับที่สุขการครับทัานครับพระมหากัสปะครับท่นครับเอ่อคือประวัติพระมหาคัสปะเนี่ยท่านอยู่มาหลังพระพุทธเจ้านิพพานอีกหลายปีนะตอนนิพพานเนี่ยท่านบอกว่าท่านอธิษฐานให้ภูเขาที่กรุงราชคสุครือมันแยกออกแล้วก็ท่านก็เข้าไปนิพพานในที่นั้นแล้วก็อธิษฐานให้ภูเขาปิดไว้ ว่าในชาติต่อไปโน้นสมัยพระเริยเมตรัยมาอุบัติเนี่ยแล้วก็จะยกเอาตัวท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างยกย่องสรเสริญในแง่ของสมทานทุดงอย่างอุกฤษเลืไฟก็จะลุกไหม้สริรตัตนของท่านวันเราจะเห็นว่าแนวความเชื่อตรงนี้มันมันก็มีมาจนกลายเป็นเจ้าของลัทธิ ซืบสายหมายานของท่านโพธิทัรนะฮะตักโน้เนี่ยก็ก็นับถือพระมหาคตปะในแนวที่ที่ว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่ตำนานของเราก็เป็นตำนานรุ่นเอตะตะคะสาวกเอตะตะคปาลินะฮะเอตะตะคะบาลิก็เล่าไว้อย่างนั้นว่าเวลนี้ก็อยู่ในภูเขาที่กลุงราชครือ ท่านทำแล้เกี่ยวพันกับพระศิริยะเมตใจย่งไรก็ไม่ฮะคือหมายความมาสัตสมัยศาสนาพระศิริยะเมตใจเนี่ยท่านจะเอาเนี่ยศพของพระมหาตาปะเนี่ยมายกย่องเป็นตัวอย่างเรื่องทุดง<อ>พนาคุณความดี่อนท่านแล้วไฟทิศจะลุกขึ้นไหมสัญญาความครับครับผมขอบคุณพระเดชพระคุณครับสายบ้านสายที่สองนะครับสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับผมจากตุภัณฑ์บุรีนะครับครับท่านครับ ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับเ อ, อ่ออยากจะถามพระคุณเจ้าว่าอย่างผมเนี่ยมันมีโรคประจําตัวอยู่ผมรักษาสิ้นแตกทั่วหนึ่งวันยันหกโงเย็นผมก็ทานข้าวแล้วผมจะได้รับภูษณ์แค่ไหนละครับครับผมครับแล้วฟังอยู่นะครับครับครับผมอันนี้เขาเคยมีตัวอย่างนะฮะคเคยมีตัวอย่างลูกเทวดาประจําต้นไสรเป็นอดีตเนี่ยเป็นคนงานที่บ้านของท่านนาถบินิกาเศรษฐีแล้วก็ท่านไม่รู้ธรรมเนียม เื่อบ้านนาทบินที่กาเศรีฐีเนี่ยวันพระเขาจะรักษาศีลบูชสดทั้งหมดแม้แต่เด็กเล็กๆก็รักษาเพราะฉะนั้นท่านมาถึงปรากฏว่าคนไม่ได้บอกเขาก็เตรียมอาหารให้ส่วนตัวท่านเมื่อท่านถามไม่เห็นคนลืนกินเราก็บอกเขารักษาบูชสดท่านก็ถามถึงบสูสตแล้วก็เกิดสนใจว่าเอ๊ะผมมาอยู่ในสำนักของผู้มีศีลผมไม่รักษาศีลด้วยไม่ได้ผมขอรักษาด้วย ก็อนาธบินติกาเศรษฐีก็บอกว่ารักษาเนี่ยก็ได้แต่ว่าอา น, นิสงส์มันกึ่งหนึ่งครับอานิสงส์ได้กึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้ารักษาตอนเย็นนะะเราจะเห็นว่าอย่างที่โยมรักษาเนี่ยประมาณสักหกชั่วโมงประมาณสักหกชั่วโมงเพราะว่าไปกินข้าที่ตอนเย็นก็สแสดงอา น, นิสงส์มันก็กึ่งหนึ่งอ่ะกึ่งหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงกึ่งดีนะครับอาจจะไม่ถึงกึ่งดีแต่ว่าคนใช้ของท่นอนาธบินติกาเศรษฐีที่จริงท่านตายก็ตอนเช้งคืน ผิวเหี่ยเสียดแทงมากแล้วเขาให้กินอะไรท่านไม่ยอมกินเลยรักษาศนลบริสุทธิ์ก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาประจําประจําต้นไส้แล้วก็ได้ช่วยคนไว้จํานวนหนึ่งหลาคนเหล่านี้ก็หมกเฝ้าหลวงพ่อเจ้าเพราะงั้นก็รักษาไว้เจอก็เท่าเท่าที่ได้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับพระเดชคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสมสาหนึ่งห้านะครับเชิญสอบถามปัญหาธรรมประเดชคุณเข้ามาได้เลยนะครับทุกสายกําลังรอรับอยู่นะครับและขณะนี้ทางมหาเิทยาลัยิปทุมนะครับได้จัดส่งนะครับ ของพระเดชพระคุณนะครับที่แฟนรายการเกือบประมาณสี่ร้อยห้าร้อยท่านเลยครับเขียนจดหมายมาที่มหาวิทยาลัยแล้วขอหนังสือเราก็ได้จัดส่งหนังสือเป็นธรรมบรณญัติให้นะครับขอสายจักรมานสายที่สามครับสวัสดีครับท่านฟังครับอโาวครับเออผมมีอย่างครับปัญหาแต่เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับคือก็ผมไปเห็นพระเขาเล่นตุ๊กตายางอ่ะถึงจะจะถามว่าเป็นปราชิกไหมครับอ๋อครับผมครับแล้วฟังชามยุทธ์นะครับครับขอบคุณครับครับผม ก็มันเป็นวัตถุนะแต่ว่าก็อันตรายนะคือต้องอบัดค่อนข้างแรงครับก็ไปเตือนท่านหน่อยก็แล้วกันเราว่างๆก็ศึกไปเถอะอย่าอยู่เลยขณะนั้นแล้วก็อย่าอยู่เลยครับผชัดเจนเลยนะครับประเด็นทีคุณตอบนะฮะขอสายบ้านสายต่อไปครับสวัสดีครับท่านฝัง่งครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับครับผมอยากจะถามปัญหาครับคือผม สงสัยอย่างเครื่องของพวกนักข่าวอะไรเนี่ยเวลามีข่าวของคระทําไมเเสนอกระจ่างเลในทางไว้ดีแต่ในทางที่ดีทําไมเขาไม่เห็นเอามาเสนอเลยครับยใงทีวีในช่องหนึ่งสามเวลาหลายช่องเลยหลายๆเวลาครับผมว่ามันเป็นการไม่ไม่ถูกต้องมากครับครับแค่นี้แหละครับแล้วขอบคุณมากครับ นน ค, คือพวกนที้มันก็เป็นแนวแนวอย่างหนึ่งคือมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีวิหิงสาคือความเบียดเบียนอยู่ภายในใจแล้วก็มีรทิ์สยาอยู่ภายในใจเพราะสถานะของพระที่ได้รับการเคารพนับถือศรัทธาจากชาวบ้านเนี่ยทำให้คนกลุ่มหนึ่งมริษยาครับคือตัวเองอยากจะได้ด้วยแต่ทําไมไม่ได้ล่ะนะฉันก็เป็นคนของประชาชนพระเป็นคนของประชาชนทําไมพระเค้นนับถือฉันคนไม่นับถือมันก็สะสมอยู่ในจิตสันดานครับ เพรา ะ, ะนันเราจะเห็นว่าคนกลุ่มผู้สื่อข่าวไม่ใช่ทุกคนนะนะฮะ บ, บางคนแล้วก็กลุ่มแม้แต่ครูบาอาจารย์ยรมันจะมีรู้สึกแข่งดีอยู่ภายในใจนะเพราะนั้นพอเห็นพระเด่นมันมันจะรู้สึกริษยาแล้วเราลองสังเกตว่าถ้าเราไปอบรมที่ไหนก็ตามถ้าครูอาจารย์ถามปัญหานี่มันจะมีคำถามที่ด่าพระก็ด่าครูแะดา่าด่าพระกับตำรวจเพราะอะไรเพราะว่าสถานะในสังคมเนี่ย หน่วยย่อยที่สุดของของหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีฝ่ายปกครองมีฝ่ายคณะสงฆ์มีฝ่ายศึกษาครับตัวเองก็นึกว่ามันควรจะรับการเคารพหนังสือผสสอนลูกชาวบ้านแต่ปรากฏว่าพร ะ, ร ะ, ระได้รับกวามเคารพหนังสือมากามกว่าใช่ไหมมันก็เกิดอาการแข็งดีที่<อ>สะสมยู่ในจิตประดานรับธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตามปกติแล้วมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเสนอข่าวที่น่าสนใจคํว่าน่าสนใจของเขาก็คือว่า มันก็อยู่ที่ทิศทางสังคมครับบริเวณนี้ยเราจะเห็นว่าสังคมชอบดูความเลวร้ายอย่างยกตัวอย่างเช่นเช่นคุณแมนเลยครัเรื่องส่วนตัวแท้ๆเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมนุษย์อื่นอย่างครับท่าจับมันเล่นข่าวกันอยู่ได้ทุกวันอย่างเล่นอยู่ขายดีเลยนะครับเพราะว่าขายดีครับผมมันเรื่องอะไรของคุณเนี่ยครับท่าจับครับนี่ยเนี่คือคือคือคือคือธรรมชาติของเขาคือวิหิงสาคืออันนี้จริงจริตญาณนะครับจริตญาด้วย นะนะลองฐานดูใจตัวเองนึกๆก็ทำไมล่ะไปฤทษยาผู้ชายเขาคือก็อยากครอบครองเองนี่คือธรรมชาติครับชาติมนุษย์อย่าลืมมาวิหิงสาริษายนี่เป็นสัตวดานดิบที่อยู่ในจิตของคนถ้ากากับไม่ดีแล้วออกมาในรูปเงี้ยเสนอข่าวแล้วรู้สึกสะใจที่ได้เหยียบพวกนี้ใช่ไมในนึกถึงบาปฮะพวกนี้ก็จะประสบปบักกรรมเอง คครับุบดาว่าสมณะสีพราม์เนี่ยพระพุทธเจ้าทร ง, สงแสดงทุกแห่งคือเป็นทางแห่งอบายเลยทางแห่งอบายเยนี่ย บ, บอกไว้ทุกแห่งเลยฮะบุบเพเณริวัสาติยานนิเทศแห่งบุเพเณนิวาสาัสติยานลึกชาติได้เนี่ยรู้รว่าคนตกนรกคนขึ้นสวรรค์นี่มีประโยค์หนึ่งว่าดาว่าสมณะสีพรามเปิดดูเถิดนิเทศแหง่งบุเพเณริวาสาัสติยานทุกแห่งจะมีประโยชน์นี้ ขอบคุณพระเจ้าคุณมากเลยนะครับก <ve> ับผสายบ้านสายต่อไปครับสวัสดีครับทุกผู้ครับสวัสดีครับน้องสัาน้องคุณครับขอสอบถามข้อเดียวครับครับผมฮัลโหลครับครับเจ้สอบถามได้เลยครับฮัลโหลครับครับเจสอบถามได้เลยครับครับยาจะสบถามว่าคือในทางโฆษณาถือว่าคลินั้นมีมีที่ใช้ในารนรู้สุกนคิแต่ทางโลกนั้นใช้เรื่องของสมองใกจะสามางภาพาผูาดูา อ่าได้อาจาย์เรื่องสมองไปว่ายัางไงครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับสมองนั้นเป็นเป็นระบบประสาทนะฮะเขาเรียกว่ามัธหลุมคังแปลว่าเยื่อมันสมองครับเป็นที่ทํางานของจิตและรอบประสาทสมองเนี่ยเป็นที่ทํางานของจิตเพราะงั้นให้ลองสังเกตว่าเวลาคุณคิดมากเนี่ยคุณจะปวดที่หัวครับแสดงว่าประสาทส่วนนี้ถูกทํางานมากแต่ว่าเวลาคุณตกใจเนี่ยคุณจะเต้นที่หัวใจใช่ครับ แ, แสดงว่าจิตมันอาศัยอยู่ที่หัวใจ ก็ก็ไ <Auf> ม <How to graduate> ่ได้ว <wireless> ่านะก็ก็พ <aries> ูดไว้ตั้งตลอดแต่ว่าที่จริงมันเป็นรูปวัตถุมันคิดไม่ได้หรอกฮะมันเป็นเครื่องมือคล้ายๆกับสายไฟเป็นทางเดินของกระแสไฟเป็นการเป็นทางเดินของกระแสไฟเพราะฉะนั้นประสาทส่วนสมองทีนี้สมมุติว่าการคิดมัอาศัยประสาทส่วนนี้ความรู้สึกอาศัยประสาทส่วนนี้อาอาศัยถ้าประสาทส่วนนั้นพิการไปมันก็จิตทํางานไม่ได้ครับ จิตทำงานไม่ได้ก็คล้ายๆกับเป็นเรื่องสมองที่จริงไม่ใช่คือจิตแกทํางานไม่ได้เพราะประสาทส่วนเนี้ยเห็นไหมคล้ายๆกับคนขับรถไอ้แกขับเป็นวันีรถเสียเลยเลยขับไม่ได้ครับขอบคุณครับสายมาสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับจสอบถามถรมัญหาธรรมะได้เลยครับอผมเรียนถามว่าคำว่าของบินขบาาของพระนะครับพระบอกว่าขอบินขบาานะครับครับ ฮัลโหลครับเชิญเชชิชชเลยครับผมอ่าก็ขออนขญาตแต่ว่าไปโดยเฉพาะกร ะ, ะทั่งชาวบ้านเขาอะครับอย่างเช่นขึ้นป้ายใหญ่บอกว่าช้างอับปีข้างขวดกินแล้วไปขึน้นเมียตายอ่ะขออนสบาตอย่าเอาเข้าต <สะ S 1> ลาดหลักครับอ่ะครับพยอมสารยานนท์ขึ้นป้ายใหญ่ให่เงีย้ยสองสามป้ายเนี่ยผมผมเข้าใจนิดนึงครับขอ ขอามกับจางครับครับครับแล้วขอจำยูนะครับครับคขอบคุณมากครับรําเส้นเยอะนะอยู่นะรําเส้นเยอะมาเคยนั่งมาจากภาคอีสานมันดูป้ายอยู่ทางซ้ายมืออ่านไม่ทันนะครับครับครับอ่านไม่ทันแต่โอ้พระนี้ปล่อยกันใหญ่แล้วทังคืออย่าลืมมาสัมมนาเนี่ยอนุปวาโดนุปค่าโตไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายครับนะคือดาอย่างเงี้ยมันด่าคนนะฮะด่าคนด่ากลุ่มคนด้วยครับ ซึ่งไม่สมควรกระทําอย่างยิ่งสมหับสมณะนาหิปะปะจิโตป ร, รูปคาติสัมโนโหติปรังวิเหตยัญโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรณชิตไม่ชื่อว่าสมณะเพราะฉันอนุปวาโดมนุปการาโตอย่ากล่าวร้ายอย่าทําลายครับอ่อขนองมากอพระองค์นี้ส่วนมากใครพูดก็ไม่ได้พูดยากนะครเพราะหนังสือพิมพ์เขาเชียร์สุดลิมมเลยก็ปล่อยเขาไปโยมก็แผลไม่ตาไป <g ö ap> ไม่รู้จะว่ายังไง ศาสตร์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขากระไรกันคขอบคุณผู้เด่นมากคุณครับสายบ้านสายต่อไปครับสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ังครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับรบกวนต่อเข้ามาใหม่ครับรอสายนั้นนะครับ022413315 022413315นะครับครับผมขอสายจบ้านสายต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับเศกาลครับท่านครับ พิธีกับผู้ดำเนินรายการแต่เขากลาบคารวะพระเดชพระคุณท่านจะคุณด้วยเป็นอย่างดู้งและจะขอําปัญหาสักสองข้อครับขอข้อแรกเลยครับท่านครับข้อแรกคืองีคนที่อยู่โดย ป, ปกติแต่กำใังร่วงลงมาสินห้าจะชื่อว่าเป็นผู้มีสิ่งไหมแล้วสำหรับคนที่จะมาทานสินห้า แลก็สำหรับคนที่จะมาจนถ้ามาทานจินห้ากับคนที่ไม่ได้จะมาทานจินห้าแต่ก็ไม่ได้ร่วงละเมิดอะไรนในสองคนนี้จะถือว่ามีจินได้ทั้งสองคนไหมแลวข้อที่สองถามว่าภิกษุเพราะภิกษุเวลาไปจุดธูปการบจบและกราบด้วยไม่สามารถถูกต้องหรือไม่สบใครสบใครเป็นเป็นเป็นศพของใครครับท่านพระเดชพระคุณถามครับ สบของคาาวาศพของคารวารวาอ๋อ oh, จุดทูปแล้วก็กราบใช่ไหมครับท่านครับอ่าจุดทูปแล้วก็กราบอครับครับข้อข้อแรกผมขอทวนคำถามนิดนึงนะครับก็คือคนที่ปประพฤติปฏิบัติศีลฆ่าใช่ไหมครับ คนที่อยู่โดยปกติธรรมดากับคนที่สมาทานสินห้าต่างก็ออกมาในลุ่มเมืองเมือในสินห้าเจอกันทั้งสองคนอยากทราบว่าทั้งสองคนจะชื่อว่าเป็นผู้มีสินเหมือนกันไหมได้ครับท่านครับเราขอกราบอเดปคุณท่านจะช่วยทํามี้ตักขานครับผมจากสกายครับท่านครับครับขอบคุณครับท่านครับศีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปกติกายปกติวาจานะฮะ วันคนถ้าคงปกติของตัวเองไว้มันก็เป็นศีลโดยธรรมชาติของเขา <Yeah. S 2> แล้วก็ศีลแปลว่าความสำรวมแปลว่าเจตนาแปลว่างดเว้นแปลว่าไม่รุ่งและมิดเพราะในการกา ร, กรทําอย่างนี้เมือม่อเมื่อท่านไม่ละเมิดศีลท่านก็ไม่มีบาปอยู่แต่ธรรมชาติครับ <Yeah. S 2> มันไม่ได้มีเจตนาในการทําบาปท่านจะรู้ว่าเป็นศีลหรือไม่เป็นศีลมันก็เป็นศีลครับะ <Yeah. S 2> แต่ทีนี้เราจะเห็นว่าธรรมเจตสิกนี่ชื่อว่าศีล หลายคาวมันจิตคิดดีเนี่ยมันก็เป็นศีลเนี่ยในขณะนั้นครับจิตคิดไม่ไม่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ล่วงละเมิดทางเพศไม่โกหกมันก็เป็นศีลครัเพราะว่าเจตสิกเป็นวศีลนะะปกติโดยเฉพาะตัวปกตินี่ทีนี้คนที่สมาทานเนี่ยปัญหาว่ารักษาได้หรือเปล่ารักษาก็มีศีลถ้าไม่รักษาก็ก็ไม่มีศีลเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสมาทานนะมันอยู่ที่ตัวรักษาที่ต่อเนื่องหลังจากสมาทานก็คือปกติกายปกติวาจา งั้นมันมันไม่จําเป็นนะฮะไม่ไม่จำเป็นจะต้องสมาทานเพราะเหตุเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสมุทเฉทวิรัตคืองดเว้นแบบเด็ดขาดก็มีเป็นสัมปัตติวิรัชพอถึงเรื่องที่จะทําผิดไม่ทําผิดก็เป็นเป็นศีลหรือรูปแบบไอสมาทานเนี่ยเป็นรูปแบบครับรูปแบบเฉยๆสมัยโบราณไม่มีสมาทานนะครับข้อข้อที่สองพระพิสุขนะครับแต่การจุดทูบอันนี้ไม่ได้ฮะคือคือไปไหว้ศพเนี่ยไม่ได้เพราะว่าศพของคารวะ เป็นต้องอมตะทุกอดนะฮะคือคืออยู่ในเกณฑ์อย่างต้องทุกอดอยู่เพเป็นศพของคารวะเน่ยท่านท่านควรจะเข้าใจยิ่งกว่านั้นนะแต่ว่าพระเราเดี๋ยวนี้ลําบากนะพูดพูดผมครับกับชาวญาติญาติโยมอะไรไม่รู้ก็คือท่านไม่ค่อยสำเนียกอะคไม่ค่อยสำเนียกกันไม่รู้เคยพูดยังไงครับ แฟนรายการหลายท่านนะฮะกล่าวขอบพระคุณพระเดชพระคุณมานะครับว่าได้ให้ข้อคิดธรรมะหลายหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะพระในต่างจังหวัดนะครับได้นํารายการนี้นะครับไปเผยแพร่สู่ประชาชนนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดต่างๆดีมากเลยสำหรับประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิทธุทุมนะครับขอสายบ้านสายต่อไปนะครับสวัสดีครับทุนผู้ฟังครับครับลบลบกวนหลีกวิธีทางบ้านหน่อยนะครับครับ เชิญเชิญสอบถามได้เลยค ร, ครับครับครับช่วยช่วยผู้เสียงเด น, นดังนิดนึงนะครับพอดีโทรศัพท์วันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยครับ อย่าให้พุทธศาสนาพุทธชนนะพุทธโดยาศาสตร์ทรุกท่านนะครับมอย่าได้พยายามที่จะทําให้ศัดสนารร่ำโดยการเอาพระสงฆ์เนี่ยที่ไม่ดีเพืองส่วนนิดนึงเอามาเผยแผ่ส่วนที่ดีที่ท่านปฏิบัติดีพระพระสุปฏิบัติโนเนี่ยมีเยอะแยะเค้าเลยมีสู่มวลชนไม่เคยมีพุทธโดยศาสตร์มาเผยแผ่เพราะพุทธศาสนาเนี่ยจ ะ, จะเจริญก็เพราะพุทธโดยศาสตร์ดีแต่้นเมื่อร่วมกันจะคอยจะทํายเพราะพุทธาสนาเน่ยจะลดลงเพราะพุทธโดยศาสตร์ดีนะครับ ครับขอเป็นห่วงในประเด็นนี้นะครับขอขอบคุณมากครับคือมันหลักการธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะฮะคนเขาเรียกคนพ่านมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตัวเองเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อไปไปอย่างนั้นน่ะไปไปเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยก็แสดงเขาก็เป็นผ่าน ก็ธรรมชาตินะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกฮะไม่ใช่ทุกคนหรอกเราจะเห็นว่าบทความต่างๆหนังสือพิมพ์ที่ดีๆเขาก็เยอะครับเราก็ต้องยอมขาวว่ามันเป็นเรื่องจิตสันดานเฉพาะตัวคนเต่านั้นครับถึงเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมเพราะงั้นเราก็เองก็คงจะไปขอร้องอะไรเขาไม่ได้นะ่ะฮะขอร้องยิ่งยิ่งยิ่งพูดใหญ่นะพวกเนี้ยขอร้องคือแสดงว่าเขามีพลังทําให้คนอื่นพี่นอพี่เท่าเขาครับเพราะงั้นอย่าอย่าไปขอร้อง รอยเข้าไปคสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมขอาคุณพระเดชพระคุณครับสายบ้านสายต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะสอบถามได้ครับอ๋ออยากจะถามท่านเจ้าคุณนะครับผมอ่าว่าหนังสือหรือว่าสื่อที่ท่านเจ้าคุณเคยแสดงเคยเทศเนี่ยจะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับผมผมอยากพิธีโยมพ่อชอบฟังท่านเจ้าคุณนะครับคขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับ ก็เออที่มูลินทีบางขุนราพย์ทุยไลหรือที่ศูนย์ส่งเสริมที่วัดเนี่ยนะฮะเขามีแล้วก็ตอนนี้ธรรมสภาก็เอาไปพิเศษแพร่อยู่ครับก็มีหลายแห่งนะฮะที่จริงที่ศรีประทุมเก็มีที่ศรีประทุมโดยการที่หน้าวัไเก็เป็นคาสร็จอะไรต่างๆเขามีเขากำลังทําเป็นอะไรล่ะเอ็มพีสามนะเอ็มพีสามอยู่ตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์ ยังไม่ได้เซ็ตยังไงก็ไปที่วัดบวรนะครับท่านครับไ่หน้าวัดฮะหน้าวัดครับผมหน้าวัดเยอะครับขอบคุณครับท่านเพื่อฟังครับสายต่อไปด้เลยครับสวัสดีครับอ่าเจริญบุญนะกลับนักสการ์ครับทนครับอ่เขาข้าวก็ทยู่ในใจเรื่องาขอบคุณด้วยพระธมปัญหาสักสองข้อครับท่านครับถามว่านูกพันหนึ่งกับลูวพันสองลูกพนหนึ่งเนี่ท่านบอกว่า อินทรีห้าของพ่อรหัสนั่งเหลืออยู่เนี่ยคำว่าอินทรีห้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็บอกว่าย่อมสวยสุขบ้างย่อมสวยทุกบ้างเนี่ยพ่อรหัสมดีเลยแล้วจะมีทุกมีสวยสวยทุกสวยสุขคำเน้นสุขทางกายรู้ป่ะสุกอะไรแล้วก็ลูกพันข้อที่สองบอกว่าลูกพันที่เสียสละลูกพันธาเนี่ยบอกว่าบ้าน่าว่าพระพิจุนี้ทำในใดนี้ เมื่อสำเมาาร็จอรร a h แล้วการสวยอารมณ์ทั้งปวงนั้นดับสนิทนี่หมายความว่าอย่างไรว่าถึงว่านิจหมายของว่าตายไปแล้วหรือว่าอย่างีริงๆเาขาทำที่ว่านะจะเลิกบุนนะการตั้งครับอ่สอาสาปาทิเสสนิพานในที่ท่านว่าเนอินทรีย์ที่ว่าในที่เนี้ยฮะคือคือคือค อ, คอยตนาภายในของท่านอ่ะยะตนาภายในของท่านตาหูจมลิ้นกายใจนะฮะอินทรีย์หกเนี่ย มันก็รับอารมณ์มันเสวยอารมณ์แต่ว่าไม่ได้ยินดียินได้อะไรครับคือคืออารมณ์นี่มันมันมันเป็นเรื่องปกติมันก็ต้องกระทบนะเพราะเราประอินทรีย์ยังไม่ได้ดับอินที <Inf o. S 2> ยังไม่ไพิการอะไรแต่ว่าไม่ยินดียินรายไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นนะฮะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดมถ้าเราเรียกโดยภาษาสมมุติมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์แต่ว่าท่านไม่ยึดถือว่าท่านเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะท่านไม่มีตัวตนในยึดครับ นะแล้วก็อนุปาทิเสสนิพานเนี่ยมันก็มีความหมายสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือพระอราหันต์อย่างหนึ่งเนี่ยตอนตอ น, ตอนนี้เมื่อแยกอย่างนี้ตอนตอนนี้หมายถึงตัวนิพพานแล้วนะดับคือตายแล้วพูดไงว่รารหานที่ตายแล้วผ่านที่ตายแล้วอันนั้นก็ดับดับสนิทจริงนะฮะเพราะว่าอินทรีย์บันดับอินที่มบนดับไอตัวโซ่อารมณ์มันก็ไม่เกิด แต่ว่าตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ค, คือคือท่านบอกว่าไอ้จุดต่างระหว่างปุถุชนกับพระริยะบรลกสรพประสบกับโลกธรรมตั้งแปดเนี่ยนะที่เรียกว่าขวายหน้ายินดียินร้ายเนี่ยพ อ, อเกิดแก่พ ร, รยะยาบุคคลท่านปัญญามันจะเกิดทันทีว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งนี้ไป็ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเกิดก็คือเกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ก็ดับไปก็ดับไปไเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวคไม่เกี่ยวอะไรท่านท่านไม่เอาจิตเข้าไปจับไว้ ซึ่งซึ่งว่ากันตามกันจริงลองฝึกดูนะฮะลองฝึกดูว่ามีเป็นอันมากที่เราไม่มีความยินดียินร้ายอกับเรื่องเหล่านั้นแล้วมันเกิดมันเกิดมันเกิดอ่ะเสียงรถดังหน้าบ้านเราคุ้นเราก็นอนหลับเฉยแต่ดังก็อยากดังไปดังไปดังไปไม่ได้เกี่ยวนะเห็นไหมใจเราไปยึดเฉยๆทีนี้ไอ้กิเลสเป็นเหตุที่ยึดมันมีเราก็ไปยึดแต่ทีนี้ถ้ากิเลสไม่เป็นเหตุแต่ยึดมันไม่มีมันก็ไม่ยึดเราเองก็ทําได้ในบางเรื่องไม่ใช่ว่า รูปแบบของประธานเราไม่สามารถสัมผัสระดับอ่อนๆได้ทุกอย่างเราสัมผัสอ่อนๆได้ก็าเรียกนี้ผ่านเด็กๆขอบคุณพระเด็จพระคุณครับครับผมขอใส่มันมันลออยู่ถึงสายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ คืออย่างนี้ครับผมเคยอ่านหนังสือนะครับให้ทราบว่าท่านผู้อื่นจะได้อ่านอย่างผมบ่างหรือเปล่าคือมันมีภรรยาสามีนะฮะเขาทาบุญในพุทธศาสนาครับเขาบอกว่าตายไปเนี่ภรรยานี่จะได้เกิดในสัพพะอินจะได้เป็นมหายิบัพพะอินเราลบลกกลนผู้ดันังอีกนิดนึงนะครับสายไม่ค่อยได้ยินนะครับคืออย่างนี้ครับมันในผมเคยอ่านทินเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่นะฮะครับท่านครับเป็นว่ามีภรรยาสามีอีกคู่หนึ่งนะครับไปทำบุญตากบาทนะครับแล้วก็บอกว่าบุญกุศลนี้จะทาให้ภรร ในสักพระอินคือจะได้เป็นไหมีห่พระอินที่สิทธิ์ของคนต่างชาติเล่าต้องอุตส่าห์ทำบุญทําทานกันมาแล้วทำไมต้องไปได้กับพระอินล่ะ<อ>ทำไมรักกันเนธทําไมชาติหน้าเนธทาไมจะไม่อยู่ด้วยกัน<อ>นี่เป็อานดับทหนึ่งนะครับครับครับต่างอันดับที่สองก็คือว่าคุณคุณที่ว่าทำบุญด้วยกันกล่าว่าจะอยู่ันชาติหน้าเนี่ยพอตายไปแล้วจะได้เจอกันจะได้อยู่กันอีกนะครับสองปัญหาครับขอบคุณมากครับขอบคุณคคือประเด็นได้แม่ก็คงพูดมากไปหน่อยนะครับ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคนทําบุญดักบาต์แล้วเกิดเป็นเมียพระอินท์มันก็คนเทวบุตอื่นไม่ต้องมีเมียเลยมันมันก็พูดไม่มีหลักฐานอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบุญระดับเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นได้ทีนี้เมื่อเขาทําบุญด้วยกันแล้วเขาก็ไปเกิดด้วยกันศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคัเสมอกันปัญญ า, าเสมอกันสุตะเสมอกันก น, นะคือคือคือถ้าไปเกิดเขาเรียกว่า ศัทธาสมาสีรสมาเนี่ยพวกนี้จะเกิดร่วมกันทีนี้อาการเกิดร่วมกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสามีภรรยา ก, กันคือเรามองในแง่ความจริงว่าคนหนึ่งตายไปก่อนล่วงหน้าตั้งยี่สิบปีคนหนึ่งยังอยู่เนี่ยถ้าจะไปเกิดร่วมก็คยไปเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติแต่ว่าสรุปว่าเป็นปุเพสันนิวาตคือเคยอยู่ร่วมกันมาพอมีท่าชีที่เป็นมิตรเห็นปั๊บมันชอบกันครับ เพราะข้อทบวงมาร่วมกันมันไม่ใช่ข้อยุติว่าไอ้ลูกจะต้องกลายเป็นลูกตลอดไปแม่จะต้องกลายเป็นแม่ตลอดไปเพราะไง่ายจริงๆไม่รู้ใครตายก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ไหมลูกอาจจะตายก่อนแล้วแม่ตายตามอีก25ปีต่อมาไอ้ลูกสาวจ า, จานั้นก็ไปเกิดแล้วก็ตระลง่าตัวเองก็เกิดเป็นลูกของลูกสาว มันไม่จําเป็นว่าลูกต้องเป็นลูกแม่จะต้องเป็นแม่ตลอด<ช>มันขึ้นอยู่กับใครตายก่อนตายหลังแต่ว่าตัวบุญที่เสมอกันเนี่ยมันจะทําให้คนเข้าหากันจะดูดคนเข้าหากัน<ช>แต่ว่าในฐานะอะไรไปรู้เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดด้วยสิ่งที่เราใช้คําว่าบุเพศ น, นิวาสอยู่ร่วมกันมาในการก่อนไม่ได้หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายนะ<ช>หมายถึงทุกคนนั่นแหละแต่พอดีไอเรื่องชาดกเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องพนางสามาวดีนี่นะครับท่านครับ มันมันเป็นการพูดถึงในายโกตุฮาลิกกับพัญญาครับแล้วเขาก็นึกว่าไ อ, อ, อ้ไอ้บุเพศนิวา่าเนี่ยก็ก็เคยเรื่องผู้หญิงผู้ชายจริงจริงไม่ใช่ ค, คนที่เราเห็นปั๊บเราชอบปุ๊บเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับหลอ่อไม่หลอ่อสวยไม่สวยแก่หนุ่มไม่เกี่ยวเราชอบครันั้นแสดงเราเคยเกิดร่วมกันมาในชาติก่อนโดยความเป็นมิตรเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นรายละเอียดครับ เวลายละเอียดซึ่งพระสัพพัญจบจายานท่านั้นเองที่จะจำแนกได้แต่วันนี้คือบุญที่ทำร่วมกันบาปก็เหมือนกันครับบาปก็เหมือนกันเห็นปั๊บเกลียดปุ๊บเลย <c oughs> แสดงว่าเคยอยู่ร่วมกันมาอย่างเป็นศัตรูเห็นไหมฮะประเภทสันนิวัตไม่ได้หมายความว่าบวกอย่างเดียวลบก็ได้มันขึ้นอยู่กับอยู่ร่วมด้วยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูคล้ายๆกับเพื่อนเราสมัยเป็นนักเรียนเห็นไหมฮะบางคนทะเลาะ ก, กัน อีกยี่สิบปีต่อมาไปเจอหน้าไปเห็นปั๊บมันรู้สึกไม่ชอบหน้าเห็นไหมสัญญาในอดีตมันขึ้นมาเพื่อมาตัวรูปนี่มันมีเป็นสิ่งร้าวทาให้สัญญาในอดีตมันเกิดมาครับก็วินิจฉัยอารมณ์ไม่ชอบเลยไอ้คนนี้ทีนี้ไอ้คนนี้มันเปลี่ยนแปลงได้โดยปัจจุบันเพราะฉั้นมื่เห็นเงื่อนไขในอดีตก็คือบุญที่ทําร่วมกันมาหรือบาปที่ทําร่วมกันมาครับแล้วก็ปัจจุบันก็บุญที่ทําร่วมกันมาหรือว่าบาปที่ทําร่วมกันมันก็เป็นมิตรได้เป็นประตุไั้มันก็เปลี่ยนกล เรื่ so อ, องื่อนไขสองประการคืออดีตกับปัจจุบันขอบพระคุณพระเทพพระคุณมากชัดเจนเลยนะครับสายบ้านบอลอยหนึ่งสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับการทางราชการพระคุณเจ้าจิกรรบอย่างสูงและสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการครับแล้วส่วดอื่ครับอมีปัญหาสองข้อครับหนึ่งรมลูกฟักหมายความว่าอย่างไรครับทําไมจึงเรียกอย่างนั้นครับข้อสอง ที่เขาบอกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทาให้คิดกลับกันไปว่าสิ่งใดสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นสุขสิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นต้องเป็นอัตตา ลองลองรออธิบายเรื่องนี้ดูครับเอาฟังวิยุนะครับนันนีข้อแรกผมลูกฟักก็ท่านครับอ๋อผมลูกฟักเป็นผลจากการบรรลุจตุทฌานนะฮะแล้วก็ท่านดับในขณะที่เข้าสมาบัติคือดับสัญญาดับเวทนาเพราะฉะั้นมันก็เหลือแต่รูปในขณะนั้นแหละสัญญากรเวทนามันดับจิตไม่ได้ทำปฏิกิริยาเพราะั้นดับไปมันก็กลาย เหมือนกับลูกฟ <and> ักอ enfin ันหนึ่งอ่ะวางอย่างนั้นอ่ะชั่วกับชั่วกันกี่กับกี่กันก็ไม่รู้อ่ะอยู่อย่างนั้นมันคล้ายๆกับพักสังสารวัตรคล้ายๆกับตกค้างอยู่ตกค้างอยู่ในโพรโมโลกนานไม่รู้พระพุทธเจ้าเกิดกี่องค์พวกนี้ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ผูกคือการการแสดงเนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นว่าถ้าขึ้นที่อนัตตาก่อนต้องบีบประเด็นคืออะไรครับนะเช่นว่าขันห้าเป็นหน้าตาเนี่ย เพราะงั้นพู้ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยพูดได้แต่ว่าตามปกติเขาจะพูดอันิีจางก่อนอันิีจางทุกขังอนัตตก่อนดังนั้นถ้าพลิกกลับจริงๆอย่าลืมว่าอนิีพาในเที่ยงนิพานเป็นสุขแต่อันนี้พาเป็นอนัตตาเพราะว่างจากตัณหามนทิจิในคําหมายว่าศูนย์ในความหมายว่าศุญญตาเนี่ยศุญญ์ยะตัสสามิัตาจะเตนะตาติชายาเร ในความหมายว่าว่างว่างจากตัณหามน auf, ัตถิฐิคือว่างจากกิเลสว่างกิเลสมันก็มีตัวตนอะ่ะครับ ต, ตัวตนไม่มาจากกิเลสเห็นไหมเพราะงั้นนิพพานเนี่ยเป็นของเชี่ยงเป็นสุขแต่เป็นอนัตตา<ะ>อัตตาอย่าลืมว่าอัตตาคือตัวตนครับ<ะ> ต, ตัวตนไม่เป็ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตาเลยมั่วเลยทีเนี้ยครับ<ะ>มันกลับเข้าไปสู่สังขารเหมือนเดิมครับคือเราต้องมองกลับให้ได้ว่าถ้าเป็นอัตตาก็คือเป็นตัวเป็นตนที่สัมผัสได้ครับ ถ้าผ่าได้ก็แสดงว่าเธอเป็นของไม่เที่ยวเป็นทุกครับ <Yeah. S 1> เป็นอนัตตาอยู่ในกฎใจรักษณแต่ว่าพอวิสังขารเนี่ยมันหลุดจากใจรักเลยครับ <Yeah. S 1> แต่อนาตตาเนี่ยในความหมายว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัณหามาณทิฏฐิไม่มีกิเลสเ <Yeah. S 1> พิ่งแง่ว่าไม่มีกิเลสว่างจากกิเลสสุญญาตาในทีนี้คือว่างจากกิเลสว่างจากเราว่างจากของเร า, ว, า, า, เราว่างจากตัวตนของเราส่วนตามปกติจะเน้นสามข้อ น, นี้ครับ yeah. ขอบคุณพระเดชพระคนครับสายบ้านลอยหนึ่งสายครับสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับอยากจะกลับเรียนถามท่านเจ้คุณนะฮะสองข้อนะฮะครับผมข้อหนึ่งที่พระศัสดายกช่องคุทพรทานว่าเป็นเลิศกว่าพิจูอื่นผู้จับกาาระดาษผฐมเนี่ยมันหมายความว่าไงกับ เมืองพราศีสมัยที่ที่แสดงธรรมจักรนั้นกษัตริย์ชื่ออะไรฮะเมืองพราศีสมัยแสดงธรรมจักรกับพระตสูตรคับที่ที่พระเจ้าไปแสดงธรรมจักรกับพระตาสูตรที่ปลายศตวรรษมัธยกระธนวันนะฮะถามว่าพระกษัตริย์ชื่ออะไรใช่ไหมครับองนั้นชื่ออะไรครับขอขอข้อที่หนอีกรอบได้ไหมครับข้อหนึ่งหายถึงว่าข้อหนึ่งเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องพระคุณท้าทานว่าเป็นผู้เทกับสองอื่น อ่าเป็นผู้จับสลากเป็นผสมนมั่นหมายความว่าไงครับอือนเราฟังทางวิทยุนะครับอ่าสบายๆขอบคุณแฟนานการครับคืบคบคบอเป็นการสร้างบา ร, รมีของท่านพระกุลฑานเนี่ยแล้วขอว่าให้ให้ได้จับฉลากเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเวลามีการแจกฉลากเนี่ยท่านจะจับเป็นคนแรกอก็ได้คนแรกทุกทีได้คนแรกทุกทีก็เป็ น, เ ป, นเป็นบา ร, รมีของท่านที่สร้างมาอย่า ง, งานั้นก็เลยก็ยกย่อง ว่าจับฉลากนี่มันมันมันก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ท่านได้ทุกทีอะที่หนึ่งทุกทีทีนี้ก็ถือว่าแปลกแปลกเป็นบารมีที่ท่านร้างขนมาจับฉลากนี่บางดีไม่ได้เลยอทีนี้เืองพาราณสีสมัยนั้นพาราณสีอยู่ในแคว้นกาศีนะครับก็คือก็คือพระเจ้าประเสิทธิโกศลพระเจ้าประเสิทธิ์ที่โกศลส่วนเจ้าเมืองเนี่ยเขาไม่ได้บอก สมัยนั้นยังไม่ได้บอกไอ้มันคือยังนึกว่าคงจะเป็นเป็นเจ้าประเทศสลาชแด็กก็ชื่อว่าพระมทัศจรรยเพราะทุกวันยังชื่อพระมหัศอยู่นะที่พารานซีเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเขาขึ้นกับโกศลกาสีโกศลฟารันซีอยู่ในแคว้นกาศศีครับคขอบคุณมากที่มากรุณาสายบ้านสายต่อไปครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังครับการทัฒนาหลวงพ่อครับสวัสดีท่านผู้จารายการครับครับสวัสดีครับคือผม คือไอไอบัตรเติเมเงินของบริษัทนี่นะไอเอเอเออะไรเนี้ย<ช>ด้านหน้าเขาจะเป็นพระพุทธรูป<ช>เขาบอกว่าพ้าประจามันสาวปางน่านตง<ช><ช>คือเวลาเขาขูดรหัสออกแล้วเขาจะกดเข้าเครื่อง<ช>คือถ้าบางบางคนเนี้ยจะเกิดว่าเขามีความเขาลบูชาพเจ้าเขาจะเก็งครับ บางคนมันไม่น่ามันมันโยนทิ้งอย่างผมเก็บได้เก็บได้กลางถนนเนี่ยเป็นเป็นปบาแตจเมือนของเอเอเป็นป็างหน้าปกเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ใ้่เหมาะสมเคยใช้พุทธลูกมามาไว้ด้านหน้านัคือมันดีสําหรับคนที่เคารพบูชาคแต่ส่วนมากมันจะโยนทิ้งเนี่ยผมเดินผมเก็บได้กลางถนนเนี่ยรั้งโลแล้วพอไล่คอนผมอยากเรียนถามว่าในพุทธดอนมีกี่ปีครับแค่ในกันส่วนก็คุ้นมาครับ แสดงความเห็นเรื่องกับนําพระพุทธรูปนะครับไปทำปัจจุบันครับไอ้นี่ไม่ทราบบริษัทอะไรนะที่จริงมันน่าจะแจ้งไปที่อะไรล่ะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังให้ทราบว่าไม่ควรทําอย่างนี้ครับเป็นของเองเพราะว่าคือเมื่อเขาใช้เนี่ยมันคนทุกศาสนาไปใช้ครับก็ดูมิ่นพระพุทธรูปของเราครับนะคิสเอาไปใช้อิสลามเอาไปใช้ก็ผ่าตอก แล้วโยนที่กลางถนอนอย่างที่คุนนิว่านก่ก็กขอบคุณขอนมูธนานะฮะที่ที่มีความสํานึกละเมตยดละไม่มากแต่ก็อยากจะรู้บริษัทครับคืออยากจะให้ได้หลักฐานอะไรมาแล้วเราก็ทําหนังสือไปในนามศูนย์พิทักษ์นะฮะเราเราเร า, เร า, เ, ร า, เ, ราเราต้องคงคงจะต้องเอาเรื่องนี้หน่อยแต่อยากแจะขอหลักหลักฐานหน่อยได้ครับครับครับอ่าเข้าต่อไปเลยนะหนึ่งพุท ธ, ธันดอนครับท่านครับอ๋อหนึ่งพุท ธ, ธันดอนเนี่ยมันก็นับยากกันนะพุท ธ, ธันดอนเนี่ยมันโอ้ยเป็นเท่าไหร่ล่ะ เป็นเป็นกับกับกันกันน่ะไอ้ตัวกับกับกันกันเองมันนับยากอีกอ่ะครับก็นับยากเพราะว่าท่านยกตัวอย่างว่ากับหนึ่งเนี่ยเราก็นับไม่ไหวแล้วอ่ะครับมันเหมือนแกกำแพงด้านละร้อยโยธสูงร้อยโยธกว้างร้อยโยธยาวร้อยโยธเนี่ย หนึ่งร้อยปีคนเอาเม็ดฟันผกาศมาโยนไวหนึ่งเม็ดมันล้นตรงนั้นน่ะอยังไม่ได้กลับเลยเลยอย่าไปนับมันเลยฮะไม่รู้จะนับยังไงไม่ไม่มีตัวเลขภาษาไทยเราไม่มีตัวเลขเร็เรียกว่าพุทธนดอนเนี่ยแล้วบันช่วงว่างระหว่างพระเจ้าองค์หนึ่งกับพระเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยเขาเรียกพุทธนดอนหนึ่งแต่ทีนี้ตรงกลางมัอาจจะมีพรปฏิคของพรธเจ้ามาเกิดครับแล้วแต่ละพุทธนดก็ยาวมากอจากพระมหาคาตา ปราประ ก, ระกาศศรัทธาสมาธิผู้เจ้ามันถึงผู้เจ้าเราในี่ยเรียกพุทันดนอนหนึ่งอ่ะโอ้ยไม่รู้สักกี่หมื่นไม่รู้ไม่รู้จะเรียกยังไงฮะก็อยากไปด่าเลยขออยากเรียนสอบถามท่านนิดนึงครับว่าอยา ก, กรณีที่เราเห็นรูปเคารพของพุู้เจ้านะครับท่านครับแล้วก็สแสดงความดูมินเหยดหยามมีการทิ้งกว้างตามเท้าถนนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้จะมีผลกรรมอะไรตามมาไหมครับท่าน ก็ก็เป็นบาปกรรมนะฮะมันเป็นอคารวะต่อปูชนีวัตถุคือคือพระพุทธเจ้านี่มีคุณมากคุณจะเป็นใครไม่รู้ว่ะแต่ถ้าคุณไปย่ำยีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระพุทธศาสนาใช่ครับมันเป็นโลกอนาตครับผมเป็นโลกเป็นโลกกันนายกเป็นโลกกันเชิดครับเพราะฉั้นคุณนับถือคิดก็ได้อิสลามก็ได้แต่คุณไปย่ำยีแล้วคุณดูประวัติศาสตร์คุณก็แล้วกันใช่ครับ เห็นไหมพม่าดูประวัติพม่าดูประวัติพวกตะรากีดูประวัติพวกทหารหลายที่เออกาลิบันเนี่ยยิงพรพุทธรูปเห็นไหมฮะเราไม่เห็นกันอยู่อะตุวันยังอยู่ในป่าเนี่ยใช่ครับพระคัมภีร์อย่าเล่นเลยฮะคืออย่าอวดเก่งอย่าอวดเก่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรรพุรุษมนุษย์ครับพระเยซูก็เป็นบรรพุรุษมนุษย์ครับอท่านอับดุลเบสมัดมัยมีคุณอุปการต่อโลกทุกท่านเนี่ยเราต้องให้ความเคารพ ศาสนาพุทเราไม่ได้สอนให้คนไปดูหมิ่นศาสดาในศาสนาอื่นเราก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลครับที่เราให้ความเคารพครับออขอบคุณครับเป็นคําตอบที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับพุ้ที่สเสวยกชนครับสายบ้านสายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าสั่งมาเลยครับเจ้าถามเลยครับเจ้เลยครับเมื่อก่อนผมฟังว่ารัสมนตรีที่พูดเกี่ยวกับถึงตอนที่ อ้อภาษาโคดเจ้าที่ตัสลูใหม่ๆนะฮะแล้วหลังจากที่สวยนยุวติสุขแล้วเนี่ยจะได้โปรดอาจารย์วัคคีเอ่อซึ่งจะต้องเดินทางารู้สึงจะต้องใช้เวลาทั้งสิบสองวันนะเพราะมันไกลเลยนะฮะเดยกจะถามว่าทําไมคณะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถที่จะยนระยะหรือว่าจะเหาะหรือจะไปยังไงก็ได้แล้วทำไมเต้องใช้เวลานานต า, น, า น, นั้นนะครับข้อหนึ่งนะฮะครับผมข้อที่สองคือว่าผมว่าทุกวันนี้เนี่ยศาสนา เออคือมันช่วยไม่ได้คือมันกู่ไม่กลับเลยนะฮะพัฒนาไม่ได้เสื่มหรอกแต่ว่ายุคของมนุษย์เนี่ยมันคล้อยไปอย่างนั้นนะมันมันมันเลื่อไปกลับจริงๆเนี่ยมันช่วยไม่ได้นะคือคือยังไงฮะจากเรออในวัยคนของคนเกิดแต่งเนี่ยมันมันจะเปรียบเทียบแล้วแล้วว่ากฎหมายนี่เราจะต้องมาฟังครับแล้วเราเราจะต้องยอมแพ้เลยครับอย่างนี้ฮะเออ ตู้มาคือคือไม่ได้ยอมแพ้นะครับคือว่าเราเราสู้อยู่แต่ว่าคือแต่มันมันมันจะมันเป็นไปตามการอย่างที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะต้องมีทุทธันดอนหรื่องอะไรนี่นะโอ้โหมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปอย่างนั้นผรพบว่าฟังฟังท่านอยูคุณดีคว่านะครับรับข่าวขอบคุณมากครับท่านครับเออคือเราต้องยอมรับความจริงนะว่าธรรมะเนี่ยมันทวนกระแสกิเลสเมื่อกิเลสมาแรงธรรมะก็ต้องแข็งแน่แม้จะสลดไม่ได้ครับผ ทีนีก้การที่เรามองเรามองจากข่าวเฉยๆคือถ้าเราไปมองทึงกิจกรรมที่เขา้ขาๆปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมลนเรนี้โยมไม่รู้ว่าบ้านชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมกันแล้วะ ค, คนตั้งกองเผยแพร่ศาสนาการมหาศารเลยครับนะกิจกรรมเหล่านี้แต่เราเขาไม่โปรโมทอะครเพราะทําความดีเหล่านี้เขาไม่โปรโมทไอ้กิจกรรมที่เขารวมกลุ่มกันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันมีเยอะมากครับ ทีนี้ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นว่าคนดียังมีอยู่มากในโลกเนี้ยแต่ว่าหนังสือพิมพ์เขาไม่ยกย่องคนดีเขาชอบเชิดชูคนชั่วมันขายไม่ออกเพราะว่าไปยกย่องคนดีนี่เพื่อนริศยานะไปยกย่องคนดีลองดูแต่เข า, าริศยาเห็นไหมใครเป็นนายกรัฐมนตรีถูกด่ดาทุกคนเยเพราะมันดีเกินเขานะไม่รู้ว่านายกนี่มันเกิดขึ้นโดยพลมราช อ, องค์การครับ นะสมัยนายกชวนเนี่ยเรียกว่าลูกแม่ทุ่นมันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนี่นะเขาเกิดมาโดยพระบรมราชองการเนรับเราไม่เคารพเหรอบในหลวงให้ไปเรียกเขาแมวเพื่อนกับเพื่อนไอ้คุณเนี่ยคุณตั๊กศีนเนี่ยเรียกเขาแมวครับเรียกว่ากเพื่อนเล่นนะเพื่อนเล่นคุณเมื่อไหร่เขาเกิดโดยพระบรมราชองการอย่าลืมนะฮะแล้วเขาเป็นมติมาชนตีเลือกเขามาเราต้องให้ความเคารพจากเท่าที่เขาสวมบทบาทตรงนี้อยู่ เป็นนายกของเราไม่ใช่นายกของใครครับเราไม่ยกย่องแใครจะยกย่องกันนะครับอันนี้คือคือคือสังคมไทยมันริษยาครับเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีครัแล้วก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันก็ชอบสะใจที่ได้ประจานคนเนะ่อย่างอย่างยกตัวอย่างดีคุณแม่เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันไปเล่นนังถือวิพากควิจารณโอคล้ายๆตัวเองบริสุทธิ์แล้วเกิดไอ้ดาคนอื่นมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วครับครับ มันเป็นวิจิทุจริตมันเป็นมโนจริตมันต้องเข้าใจเขาไม่ได้ทุจริตอะไรครับมันไม่นธรรมชาติธรรมชาติเขามนุษย์เขาก็มีวุฒิภาวะเขาเขาเขาเรียกอะไรล่ะเขาบารรลุนิติภาวะแล้วมันเป็นเรื่องของเขาลแล้วก็ไม่ใช่อะไรกับผู้ชายเขาก็ ก็ร้องอยู่เนี่ยยังไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นอเรื่องอะไรเอามายังไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจเลยกระแสสังคม น, นะนะแล้วเราจะเห็นว่าข้อเขียนเนี่ยมันแสดงเธอริษยาครับเธอฤิษยาเขาเราอ่านดูเธอครับข้อเขียนเนี่ยมันแสดงเธอริษยาเขาครับแล้วก็ไม่ใช่ฤิษยาคุณแม่ริษยาผู้ชายอ่าก็ร์ข้อแรกเรียนสถาสัมพนด้วยคุณบา้านที่องคสมเด็จพรสัมมาสมัมพุทธเจ้า โปรดไปโปรดปัญจไปคีครับสิบสองวันเนี่ยทำไมไม่ย่อระยะทางคัทนอ๋ออันนี้เราไม่มีหลักฐานหรอกรการเสด็จเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเป็นไปไม่ได้ว่าเส้นทางสิบเอ็ดวันเนี่ยที่จะเจอเฉพาะอุปกรารชีวะคนเดียวเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยในแง่ของการเดินทางเนี่ยเพราะงั้นการจะไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อาจจะไปแต่ว่ารอเวลาครับ เราเวลาการแก่รอบของอินทรีที่ท่านปัญญวิคีท่านจะมีเนี่ยพระเจ้าก็ประทับอยู่แต่แถวตรง น, นั้นนะครับคื อ, ค, อคือมันมันมันไม่ช่ดเดินอะ่ะคือเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี่เขาเขาเขาเขาเขาไม่ได้คิดต่อครับผมคือมิติทางประวัติศาสตร์ครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าเสด็จไปโปรดจนอ ง, องค์ุรีมานอยู่ห่างจากพระเชตวันเนี่150ยร้อยห้าสิบกิโลไปยังไงเดินยังไงใช่ครับก็แสดงไปได้อิกทีนิดใช่ครับแต่เขาไม่พูด แล้วมันมันธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายมั น, นกบินไปในอากาศได้นยธรรมดาแค่นั้นแล้ววันวันหลังนกก็ลงอาจจะลงเดินตามพื้นแเรื่องของแกะแต่ว่าการไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าไม่ใช่เดินโดยพระบาทเอบไปด้วยไปไปด้วยฤทธิ์นั่นแหละแต่ว่าไปพักอยู่ที่ไหนเพราะต้องรอความพร้อมครับรอให้บารมีเ้าแก่ รออยู่ตั้งคงจะหลายวันนะฮะอาจจะยองน้อยก็เจ็ดแปดวันแหละแล้วก็ก็ก็เสด็จเดินเข้าไปเฉยๆเด็นทุดคำเดินก็ไปเฉยๆแสดงว่าก็มาพระทับอยู่แถวใกล้ๆนั่นแหละครับ เขาคือเพื่อนเพครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่กระทําความดีนะครับอย่างเช่นรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะโดยท่านผลเอกเสรีพุทธมานนะครับและท่านดรธนินีพรพุกยาพรพุทธมานนะครับอย่างรายการเสียงธรรมเนี่ยเราไม่มีโฆษณานะครับรายการของเราทําเพื่อเผยแพร่พุทศาสนาอย่างเดี่านั้นนะครับจุดุรงหมายใหญ่ของท่านผลเอกเสรี และท่านดรรัชณีพรภูกรารและมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับต้องการเพื่อจะเะผยแผ่พุทธศาสนาทําให้ผู้ศาสนิ ก, กชนนะครับมีที่พึ่งสามารถจะสอบถามปัญหาธรรมะจากพระเดชพระคุณได้อย่างชัดเจนมีหลายวัดนะครับมีหลายวัดมีพระสงฆ์จากหลายสํานักนะครับหลากหลายวัดด้วยกันโทรศัพท์มาสอบถามและนําข้อคิดนําคําตอบจากพระเดชพระคุณเนี่ยนะครับไปเไผยแผ่ต่อไปนับเป็นคลินิกธรรมะเป็นคลินิกทางใจสําหรับ ว่ผู้สานิชนที่ดีมากรายการหนึ่งของประเทศเลยนะครับมีหลายท่านชมมาในรายการและขอบคุณท่านพลเด็กเสรีและท่านานักตุลาธิปธุ์ผู้กำมานมากเลยนะครับขอสายบ้านสายต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังครับสวัสดีค่ะเราป่วนสอบถามเรื่องเหตุดใดให้เกิดที่เป็นแง่ข้อไม่ดีของเดกขาถ่าน เหตุเหตุขอขอรบกวนข้ออคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคือเหตุใกล้ให้เกิดที่ว่าเป็นเป็นไปในข้อไม่ดีของของซานเจเลอร์เบเกขาเนี่ะอ่ะมันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นคะแล้วก็บุตรสีจำพวกไม่มีอะไรบ้างเออขอขอข้อที่สองใหม่นะครับอะไรนะครับบุตรสีจำพวกค่ะบุตรสีจำพวกเหรอคะบุดแถมบุดแล้วก็สกี้เนี่ยที่คุยกันเรื่องบัตรที่มีลูกค้าเนี่ยค่ะครับเป็นคนขายอยู่ก็ยังรู้สึกตกขิดระผงใจในเรับองอีกค เร <S <S <พ>าขายอยู่ในแหล่งของชนสลามด้วยั้ำ ก็แหละครับพระเดชพระคุณถามว่าเป็นบัตรของอะไรนะครับเป็นของบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสนะครบริษัทนี้อยู่ในเครือของคุณทักษิณนะคะเขาลือกันอย่างนั้นก็จะว<ค>ทวงบ้างก็ดีเพราะคนขายยังสยองจ<อ>ุด ข, ขายก็ยังสยองเี่ยกลัวเขาไปทิ้งเหมือนกั น, กก น, กนแล้วก็ทํำบ่อยทำเป็นรูปวัดรูปอะไรก็บ่อยวัดวัดประวันก็มีรคับ้มีบ่อยค่ะแต่ตอนนี้เป็นรูปพระอยู่นะคะเี่เดี๋ยวเด๋ยวก็ทวงก็ดีค่ะได้ครับ ได้ครับขอบคุณนะครับเาต้องขอบคุณมากครับไป็นเป็นชื้อมาเป็นเป็นตัวอย่างเท่าไหร่กว่าได้ท่านครับครับผมครับเหพศใกล้ข้อข้อแรกนะครับผมเหพศใกล้ให้เกิดในน้อยนิงบความความความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายครับผมความยินดียินร้ายที่มันมันมันมันมันอทําให้เราเราไม่เคารพกฎของกรรมครับเพราะในตัวตัวที่จริงๆตัวหลักคืออคติครับตัวหลักนั่นคือคืออคติเพราะว่า จิตมันมั น, ม, นมันก็อากติมันก็ถือเนื้อมาจากความยินดียินได้ใช่ไหมฮะจิตเรายินดียินได้เราก็สะสมความรู้สึกเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งเราจะอุเบกขาไม่ได้ครใช่ไหมเช่นสมมติว่าคนเขาทําชั่วติดคุกพอดีเป็นญาติเราเรารยินดีอยู่เราเสียใจฮะครับเ อ, อไอคนคนที่เราไม่ชอบเกิดติดคุกเราสะใจ <laughs> ยินได้กลายเป็นอาการติใช่ไหมมันมัน อุเบขาปฏิบัติยากนะครับขาปฏิบัติยากมากข้อที่สองบุต ร, ร, รศิษย์จำพวกครับประเบุตรสารจำพวกจำพวกนะครับคือหนึ่งเขาเรียกว่าอภิชาติบุตรคือบุอตทรที่ผพานสกุลคำว่าบุตรไม่ได้หมายทั้งลูกชายนะหมายถึงลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละแล้วอนุชาติบุตรคือบุตรที่สืบต่อดํารงสกุลไม่ได้แล้วอภิชาติบุตรบุตรที่เช่วชูสกุลเช่วชูสกุลวง ก็รวมเป็นสามพี่กล่าวขอบคุณประเดบาคนครับพอดีขอกับขอประธานสภาจริงๆเลยนะครับหลายสายนะครับโทรมาปรากฏว่าเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ทางรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริทุมขอกล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ สำหรับหมายได้โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยศิีปทุมนะครับที่จะโทรเข้าไปเพื่อจะขอหนังสือธรรมะนะครับ025791111 025791111นะครับทางท่านพลเอกเสรีและท่านดรชิติพร์ผุกหมานะครับจะส่งเป็นธรรมบรรณาการแด่ทุกแฟนรายการทุกท่านที่รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิีปทุนะครับวันนี้ทางรายการขอกับขอบคุณพระเดชพระคุณพระเทพดิรก์วัดประบอรนิเวศวิหารครับที่อนุเคราะห์เป็นพิการต่อปัญหาธรรมะครับขอความเจริญในธรรมีแด่ท่านผู้ฟังรายการทุกท่านขอกับสวัสด ดีครับ